ม่ได้มานานเลยนะนาแล้วครับเขาสุดท้ายนี่หลวพ่อบอกว่าให้พี่เข้าหาคนเลี้ยงอีตอนนี้หาได้แล้วครับเขา่อนก่อนอเมื่อกี้ครับที่ที่มีปัญหาครับที่ไปเราเมที่พามาหาความเข้าหาจากหลวพ่อครับ ก็ตัดไปทีละขั้นทีละขั้นจนกระทั่งตอนนี้ภาระที่หนักที่สุดก็คือการดูแลน้ก็หาคนมาดูแลได้ก็มีเวลาภาวนามากขึ้นนะครับอ้าที่เป็นอัลไซเมอร์อแต่ว่าก็จะมากราบ็จะหลวงพ่อต่อครับเพราะว่าตอนนี้พี่เขาก็มีกําลังใจในการภาวนาตอนเย็นได้แล้วตอนเย็นทําวัดสดโมเดินจงกรมภาวนาได้แต่กลางวันนะครับยังบกพร่องยังละเลยอยู่จะทําไงให้ห้าหาญเพิ่มอะครับอยู่คนเดียวเหรอไม่ว่าอยู่ <c oughs> กับน้าสองคนค่ะแล้วก็น้องสาวอีกคนอีก่สามคนค่ะคแล้วก็ตอนนี้ก้าวเด็กมาหนคนแล้วมันมีอยู่ภาษาอะไรที่ทําไม่ได้ที่ทํำไ้ทําไม่ได้เยอะ <c oughs> น้าเขาจะพูดตลอดเวลาแล้วก็ต้องคือเขาจะมีโทรศัพทตลอดอ่ะคะ่ะ<ม>แล้วก็ภาวนากับกับเสียงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอก็<ม>คือความสงบอาจจะน้อยไปหน่อย ช่ลงแรกๆก็ยังยังไม่ได้กินพอค่ะอืมแต่ก็พยายามอยู่นะค่ะแล้วเราไม่ต้องทํางานนะไม่ต้องทําแล้วค่ะได้ออกมาแล้วเกษียณแล้วครับเกษียณนะเย่ามาดูแลนะแต่ตอนนี้ก็มีคนมาช่วยครับเพิ่งได้มาค่ะเราไม่ต้องกระทบตรงและ้วแล้วที่อยู่นี่อยู่ต้องอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยค่ะหรือว่าเป็นเท้าๆอะค่ะอ๋อมันก็แยกกันลําบาก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 ของภายนอกเช่นหนังสือหรือซีดีอะไรเลยเพื่อให้เอาเอาสติปัญญาเอาอะไรธรรมะที่มีที่เราควรจะผลิตขึ้น ม, มาภายในใจนี้มาสู้กับกิเลสพราะปกติกิเลสเนี่ยมันจะไม่ชอบอยู่เฉยๆมันชอบชอบลุกไปนั่นนุกมานี่ทํำนูน่นทํานี่แล้วมันก็ไม่ได้อะไรจิตมันก็ไม่เคยพบกับความสงบะนี่เราต้องการที่จะ บ, บีบมัน ให้มันอยู่ในกรอบแคบเข้าไปเรื่อยๆตอนต้อนเข้าไปในห้องอในห้องต่อไปก็ให้มันอยู่จุดเดียวนั่งเลยถ้านั่งนานๆมันเมื่อยอยากจะลุกขึ้นก็ได้ก็ยืนใ้่ยืนตรงนั้นอะ่ะยืนจนกว่าจะหา ย, หายเมื่อยก็นั่งใหม่ห้องสะดวกครับเพราะว่าพี่เขาออกแบบบ้านใหม่เดินจบกลมได้เลยใ น, ในห้องเลยครับอคือถ้าไม่อยากจะคือถ้าอยากจะบังคับไให้มันเดินไม่ให้ให้มันอยู่จุดเดียวก็อย่าไปเดินก่อน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 หรือว่ามันมันเป็นตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปเวลามันตายไปแล้วมันกลายเป็นอะไรไปมันชัดๆมันจะเห็นชัดๆว่าอ๋อมันก็แค่ดินน้ำลมใส่ใช่ไมนีน้ำเนี่ยเราดื่มเข้าไปก็เงี้ยน้ำลมที่เราหายใจก็ลมสองส่วนจะเห็นชัดๆแล้วส่วนที่สามก็ดินดินงาข้าวที่เรากินเข้าไปอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็ดิน นี่ดินกับน้ำกับลมมาผสมกันก็ทําให้เกิดไฟขึ้นมายังไงปฏิปฏิกิริยาทางเคมีดนั้นะร่างกายนี้มันก็เป็นเรื่องของ ป, ปฏิกิริยาของธาตุทั้งสี่มารวมกันแล้วก็มาแปลงให้เป็นอาการต่างๆแปลงเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บถ้าไม่กินข้าวไม่หายใจไม่ดื่มนะ้ำมันจะมันจะมันจะโตขึ้นมาได้ไหมที่ออกมาจากท้องแม่เนี่ย <c oughs> มันก็ต้องมาสายท่าสีเนี่ยมาเป็นเป็นเหือนกับเป็นวัตถุดิบร่างกายนี่เป็นเหมือนโรงงานโรงงานที่ขยายตัวของมันเองจากจากก้อนเล็กๆที่อยู่ในท้องแม่นะแล้วก็เขาขยายตัวไปเรื่อยถ้ามีวัตถุดิบเข้ามันเข้าไปแล้วมันมีทั้งอินพุมีทั้งเอาพุตจะมีวัตถุดิบเข้าแล้วก็มีวัตถุดิบออกของเก่ า, ข อ, กาของเสียมันก็ขับผ่ายออกไปของที่มันไม่ต้องใช้ของที่มันมาทดแทนของเก่าคือ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 ถ้าเป็นผมเราตัดผมทิ้งไปแล้วมันเราหาไปกับผมดหรือเปล่ า, ามันดูไปมันแล้วมันก็จะเห็นว่ า, ามันทั้งร่างกายนี่หาไปไงก็ไม่มีตัวเราหาตัวเราที่จจริงๆไม่เจอไม่มีเราไปเราไปเราไปว่ามันเป็นตัวเราเองเราแล้วพูดที่ตัวว่าคืออะไรทง้งศาสนาก็บอกว่าเพือใจใจใจคือผู้รู้ผู้คิดคิดว่าอันนี้เป็นนั่นเป็นนี่พอได้อันนี้มาก็มันก็คิดว่าเป็นของเราเ พอเป็นของเรามันก็หวงนะใครเอาไปก็โกรธเอ <c oughs> เสียใจร้องโหมร้องไห้เที่ต้องให้สอนใ ห, ให้รู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราใครเอาไปก็ให้เข้าไปเราไม่ได้เสียของที่เสียนี่ไม่ใช่ของเราในร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่ได้เสียใจเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <Okay. S 1> ถ้าเร า, เ ข, าเข้าใจถึงความจริงนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ไปกลัวความตาย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 ท, ที่ไม่พึ่งมันก็ต้องมีที่พึ่งอื่นทดแทนที่พึ่งอื่นทดแทนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็จะไม่รู้ว่าคืออะไรพระเจ้าบอกที่ที่พึ่งทดแทนก็คือความสงบทําใจให้สงบแล้วใจจะสบายมีความสุขใจจะไม่ต้องไปพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขคนที่ได้สมาธิแล้วจะไม่ต้องจะไม่อยากดูหนังฟังเพลงจะไม่อยากจะไปกินไปดื่มไปอะไร ถ้ากินกันดื่มก็เพื่อร่างกายเนทะ่านั้นแต่ไม่ได้กินดื่มเพื่อเป็นความสุขอย่างที่พวกเราทํากันเราเรามันทําทั้งสองอย่างกินเพื่อร่างกายด้วยแล้วกินเพื่อเพื่อความสุขด้วยต้องกินต้องกินอาหารที่ถูกปากดื่มเครื่องดื่มต้อถูกใจถ้าไปดื่มไปกินของที่ไม่ถูกใจถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับร่างกายก็ไม่ไม่อยากกินแสดงว่าเรามันทําไม่ได้ทำแต่เฉพาะเพื่อร่างกายอย่างเดียว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 แสดงว่ายังยังให้หลบการกระทบตรงกับอี้อยู่ให้หลบหาที่ห้องอยู่กันสงบตัว เ, เองให้ได้จ <ใน S 1> ังใจเข้าข้างในได้ไงว่าไปออกไปข้างนอกไปรับรู้จิตมันก็ปุ่งพุ่งขึ้นมันก็ร้อนขึ้นมาเออเพราะถ้าเรามีเวลาว่างไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครก็้าเตวิเวกม่อยู่คนเดียวไม่คุกคีกันไม่พอคุกคีกันแล้วเนี่นยมันกระทบกระทั่งกันแล้วก็เกิดความคิดตรุงแต่งตเกิดอารมณ์วุ่นวายต่างๆขึ้นมา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 ตันความอยากที่มันเคยอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยา ก, ยากฟังมันจะทําให้ยุไม่ได้ดูไม่ได้ฟังมันหงุดหงิบขึ้นมาอันนีน้นี่คือข้อค่าสุดคู่ต่อสู้ของเราก็คือกามาสรหาหรือเขาเรียกการมาฉันทะความอยากในรูเ้เห็นจิ่ตลดผลทัพอเนี่ยเป็นหนึ่งในนิวรห้านิวรก็คือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้เข้าสู่ความสงบ เราต้องทำรานมันต่นี้ด้วยการใช้เอสังวรนํนำลวนตาหูจมูกลิ้นกาไม่ดูไม่ฟังสิ่งตา่างๆแล้วใช้สติเบกมันไว้อย่าให้มันออกไปถ้ามีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งมันก็จะไม่สามารถคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสได้แล้วถ้ามันไม่คิดห้าใจก็ว่างเย็นสบายก็จะรู้สึกว่าอยู่เฉยๆนี่สบายมี่าสุด เรื่องต้อต้องต้องสร้างมาตรการควบคุมบังครับจำจัดจํากัดสถานที่ต้องมีที่เข้าไปเขาายจบตัวแล้วเป็นที่ขึ้นเวทีต่อสู้กับกิเลสเราอย่าไปสู้กับคนอื่นชนะคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันคนก็สู้ชนะกิเลสของเราไม่ได้ทีนี้ชนะกิเลสใจสงบมีความสุขชนะคนอื่นใจเราวุ่นมาเสียใจไปหลังว่าไปทารกับแม่ไปทารกับอี้ เพื่อเอาเพื่อจะเอาผิดเอาถูกกันคแล้วเสร็จแล้วเป็นไงก็มาเสียใจภ<ร>ายหลอย่างนเขาไม่ว่าเขาเลชนะเขาแล้วก็ร้องไห้ก็เสียใจเราก็มาเสียใจทีหลังเีงงั้นเรายอมแพ้ดีกว่าเขาอยากจะชนะก็อยากจะทำอะไรท่ า, าก็ทําไปชีวิตของเขาเรื่องของเขาเขาอยากจะกระโดดตึกตายก็ให้เขากระโดดไปเราไม่ได้ไปสั<ะ>เเ่เราไม่ได้ไปสั่งให้เขากระโดดมาใช่ไหม อ่นแหละมันต้องอย่างนั้นโหต้องเข้าหารขนาดนั้นเลยนะครับไม่เห็นต้องข้าวสารันไม่ได้ทำเราเป็นอยู่เฉยอ๋ครับเราอยากเรายอมทุกอย่างเขาอยากจะทําอะไรก็ไหวก็ทำเลยคือยอมสลับทุกอย่างไม่มีตัวเราว่างั้นเลยให้ได้เลยยอมแพ้เขาอยากจะว่างไงอยากจะทําอะไรก็ทำเลยสิครับอืมบางทีเราไปเที่ยวเข็งกันไปเขี่ยวเข็งกันมาไอเขาทําอย่างงู้นทํานี้เขาไม่อยากทําก็อยากใช้ก็ทํา เพราะเขาไม่ทำเพไม่ทาแล้วก็เครียดเสียใจเลยเราทำเบสิกหน้าที่พื้นฐานพอให้มีปัจจัยสี่ให้เขามีปัจจัยสี่ส่วนเขาจะทำไงกับชีวิตของเขามาันเรื่องของเขานี่ยพอเราเตรียมข้าวแล้วกินเสร็จไม่มีหน้าที่แล้วก็บายยนะขอเข้าห้องแล้วอะไรอย่างนี้น ไอ้ลกิเลสมันจะไม่ยอมไม่เข้าเดี๋ยวให่ไปเปิดทีวีดูไปเปิดนั่นั่นฟังนั่นนี่หาอะไรกินหาอะไรดื่มบางทีก็มีกิเลสับอีเขาดูนิ่งสงบสงบเหมือนเขากับมีทุกข์เราก็อยากจะเข้าไปให้เขามีความสุขเนี่ยครับแต่ทําผิดที่บิดท่ากลับมาเจ็บตัวอย่างนีอถ้าเขาไม่ขอร้องก็ไม่ต้องไปทําละอย่าไปก้าวก่ายกับชีวิตเขาดีกว่าให้ เ, เขายื่นข้อเสนอ้นมา ก, ก่อนแล้วเราดูว่า มีมันมันถูกผิดยังไงถ้าไม่มีไม่มีความเสียหายไม่ผิดศีลผิดธรรมก็ตอบสนองเขาไ ป, ป อ, อถ้ามันไม่ควรก็อย่าไปเหมือนเด็กเลี้ยงเด็กเด็กจะเอานู่นเอานี้ถ้ามันไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรจะให้ก็อย่าไปทำให้เขาเ๋ยจะทำให้เขาเสียนิสัยได้เอาเรื่องของกิเลสเราสำคัญที่สุดเรต้องไปจัดการใชแล้วเราก็เรากลับไปอยู่คนเดียวไปต่อสู้กับกิเลสของเราดีกว่า ท่านเล้ย ง, ง, งต้นการเอากิเลสที่มันฟุ้งนี้ให้มันหยุดให้มันสงบให้ได้หให้มันหยุดความทิศปรุงแต่งให้ได้หนยใช้พุทโธก็ได้ใช้สวดมนต์ก็ได้ใช้พิจารณาร่างกายก็ได้อันนี้มันก็จะทําให้ใจไม่ฟุ้งได้ทําให้มันแค่นั่งนั่งเฉยๆแล้วจิตรวมมันได้ก็ยิ่งสบายอย่างนั่งจิตรวมไปดับปัาได้ทุงนี้ก็มีความสงบสบาย ส่วนใดญ่เวลานั่งอะค่ะลมจะแบบถ้ายาวมากเนี่ยมันมันเหมือนจะมันจะเข้าปัววังนะคะส่นใหญก็วางหลับใช่ไหมใช่วางหลับไม่ใช่ผัววังไม่ใช่ฟองสมาธิแต่บางครั้งมันก็จะแยกไม่ออกเหมือนกันนะคะสองสองอย่างเนี่ยค่ะเวลาบางครั้งถ้าเราหลับนี่มันออกมามันจะเหนื่อยมันจะเคลียแต่ถ้าช่วงที่เราหลับ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 ้คยยนี่มันเหมือนเรานั่งสมาธิแต่แป๊เดียวมันก็ครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวมันก็ครึ่งชั่วโมงแต่เราก็ว่าเราเราก็ไม่มีตัวพูดรู้แต่มันก็เหมือนกับเรารู้ว่าเรานั่งอยู่อย่างนี้นะคะมันฟังนั่งอยู่ถ้าเ่างมันจะหลับมากกว่าผมไม่แน่ใจ่ถ้าไม่แน่ใจก็คิดว่ามันจะน่าน่าจะเป็นหลับถ้ามันแน่ใจมันจะไม่หลับมันจะรู้ตลอหับเวลาแล้อว่าตอนนี้หยุดหยุดสงบแล้วจิตรวมแล้วจิตไม่พูดไม่อะไรแล้วเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ มันเหมือนมีความสุขอ่อนๆโชยอยู่ข้างในใช่ไหมครับอ่ามันมีไม่ใช่อ่อนๆความสุกใหญ่ๆเลยแต่เราก็จะไม่ง่วงเพราะมันจะทุกครึ่งชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงจะรู้ตัวขึ้นมาทุกครึ่งชั่วโมงรถกลางแจ้งก็ไม่เคยไม่ง่วงเลยแต่ว่าหลักสันติเราก็ทําไมไม่สะงกไม่อะไรอย่างค่ะอันนี้คนผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้พิจารณาขันทิติโกแล้วเพราะว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะ จิตที่เป็นสมาธิจริงๆเราก็ที่ออกมาคือแม้กระทั่งเราเอตื่นอยู่ก็สามารถเป็นสมาธิได้เช่นความสุขที่อยู่ข้างในแล้วขึ้นมาที่บอกว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอสุขที่ยังไม่เคยสุขมาก่อนใช่ไอมเอามาสุขนั้นก็ยังค้างอยู่เหมือนกันน้ำที่เราไปแช่ในตู้เย็นเวลาเอามาใหม่ๆน้ำก็ยังเย็นอยู่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 มิดานดาสามีภรรยาบุตรธิดายาชนิดนิสหายจะอยู่ด้วยกันเป็นตลอดหรือเปล่าน้องพิจารณาให้เห็นอนิจจังจะได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดกับเขาถ้ารู้ว่าเป็นอนิจจังก็จะได้ไม่ไปยึดติดกับเขารู้ว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเราไปเก็บไว้ให้เก็บไว้เป็นของเราไปตลอดไม่ได้เป็นของเราเพียงชั่วคราวเลอไปสั่งให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้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 ความจริงก็เป็นอย่างนี้ใช่ใช่สหญ่เราไปเปลี่ยนแปลงความจริงให้ได้ดังใจเราคือปัญหาเลยเขาเป็นมันาวอยากใช้ก็เป็นสับ ป, ประรดอยงนี้เขาเปแต่เปลี่ยนได้แต่เขาต้องเปลี่ยนเองเ อ, อ, อย่างเราอยากเราเราเป็นผู้ตุชนเราอยากเป็นพระระยะเราเปลี่ยนได้แต่ความอยากของคนเดินมามาให้เปลี่ยนให้เราเปลี่ยนนี่ทาไม่ได้ ตอนนี้เราเป็นปุถุชนเขาอยากให้เราเป็นท่ยายระยะนี้แล้วก็บอกคุณต้อง ท, ทํานู่นทานี่เดี๋ยวคุณก็เกียดเขแล้วก็กลัวยังอยางเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยวัวยังไม่อยากบวชนี่ใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นเองแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนเองคุณเปลี่ยนได้อยู่ต<อ><ม>ต้องออกมาจากความความรู้สึกนึกคิดของคุณเองเมื่อเช้าผมก็ปรบกันว่าจริงๆเนี่ยไอ้ความที่น่ากลัวของการที่ยังมีความคิดว่าเป็นเราเนี่ยมันเป็นต้องเหตุมากมายเลยให้เราต้องแสวงหาทุกมาใส่ตัวเอง ขงนี้เป็นภัยที่แบบหลายคนไม่มองไม่รู้จักมันเอัท่านหนึ่งสอนให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราครับสัพยธรมานะจ๊ามองว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องจบเะนนคุณสอาให้คุณทำมันดีขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ตายคุณตายไปมันก็ตาย <c oughs> ก็หมดไปเลี้ยงลูกให้ดีขนาดไหนหเรียนจบเป็นด็อกเตอร์เดี๋ยวมันก็ตายไปเหมือนกันเราก็ต้องตายจากมันไป แต่ไม่ให้ไม่ใช่ไม่ขอไม่ให้เลี้ยงนะก็เลี้ยงไปตามตามมีตาม <c oughs> ตามเกิดตามเหตุตามปจาัจจัยเขามีปัญญาที่จะไปจบด็อกเตอร์ได้ก็ส่ง <c oughs> เข้าไปเรามีปัญญาส่งก็ส่งไปเราไม่มีปัญญาเขาก็ต้องหาเอง <c oughs> หาทุนของเขาเองไปเพราะทั้นั้นแต่เรามีทุนแต่ลูกเราไม่อยากจะเรียนไปบังคับไปเที่ยวเข็นมาันมันก็ไม่เรียนอยู่ดีผมเจอทั้งสองปัญหาเลยครับก็ไปทุกข์กับมันอยู่ดีนะนั่นต้องดูเหตุดูปัจจัย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 ถ้ามีปัญญาแท้แทนที่สงบอยู่ข้างนอกได้เลยใช่ไหมครับแต่ต้นต้นต้องมีความสงบเป็นพื้นฐานก่อนแล้วใช้ปัญญารักษาความสงบนั้นถ้ายังไม่มีความสงบเป็นพื้นฐานใช้ปัญญานี่มันมันมันยังไม่เป็นปัญญาปัญญารักษาสภาพไม่ได้มันไม่มีกำลังที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ถ้าได้ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเหตนั้นก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญญาอบรมสมาธินี่มันยากกว่าสติอบรมสมาธิ นติมันง่ายเพียงแต่พูดโธคําเดียวแต่ปัญญานี้มันต้องวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลตอนนี้เราวุ่นกับอี้เพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต้องเห็นอริยสัจสีว่าเนี่ใจเราวุ่นเพราะความอยากสมุทัยก็คือต้นเหตุของความวุ่นแล้ววิธีที่จะระงับความวุ่นนี้ทําไงก็ต้องมองความจริงว่าอี้ก็เป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้เหมือนกับเราไปสั่งฝนฟ้าอากาศให้ตกตามเวลาได้ไหม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 เราก็จะไม่วุ่นเพราะไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจ ก, ก็เราก็จะสงบอย่ น, นี้ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่มันสงบถ้าใช้ปัญญาอบรมสมาธิมันก็จะสงบแค่ระดับหายฟุง้งเท่านั้นถ้าอยากจะให้มันลงเล็กเป็นอัปปนาสนี่มันก็ต้องใช้ส ต, สติติโซสมาธิจริงๆหึงจิตให้มันรวมเข้าไปให้าด้เพอจิตเป็นสัปปนาและวลาออกมาเนี่ยมันยังมีสภาพของอัปปนาอยู่คงอยู่ ตอนนี้เราก็ใช้ปัญญารักษาบัญญั้ิอย่าให้มันออกจากั ป, ปัญามันจะออกจากปัญาตอเมื่อมันอยากมีความอยากจยิงเราไม่เรียกออก ป, ปัญาแล้วก็ออกมาพอเริ่มคิดเราเรียกอุปจาระแล้วทีนี้เราก็ต้องรักษาให้มันอยู่ในอุปจาระแล้วอย่าให้มันออกไปแต่ความสงบก็ยังเจืออยูอ่ก็อยู่อยางมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเกิดตัณหาขึ้นมาพอเกิดตัณหาเมื่อก็เกิดความฟุ้งขึง้นมะ นั้นต้องเนยต้องใช้ปัญญาปัญญาก็ต้องรู้ทันว่าเนี่ยความอยากเป็นต้นเหตุของการทำลายความสุขแบบนี้ถ้าเรายังอยากจะให้จิตสงบสุขเหมือนกับตอนที่อยู่ในอัปปนาเราก็ต้องตัดความอยากทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นทันกับความอยากเหานั้นให้ได้ทำอะไรนี่ต้องไม่ทําด้วยเหตุผลไม่ใช่ไม่ต้องไม่ทําด้วยความอยากเช่นจะดื่มก็ต้องดื่มตามเหตุผลถึงเวลาต้องดื่มาะร่างกายมันขาดน้ําถึงเวลาจะรับประทานก็ต้องรับประทานตามความ เหตุผลคือร่างกายขาดการอาหารและถึงเวลาต้องกินแล้วไม่ใช่พออยากกินก็กินอยากจะดื่มก็ดื่มถ้าอย่างนี้มันก็จะไปทำลายความสุขทางใจแล้วมันก็จะมาอาศัยความสุขทางกายแทนก็จะกินอยู่เรื่อยๆดืๆ่มอยเรื่อยๆแล้วก็จะไม่อิ่มไม่พออย่างที่เรากินกันดื่มกันมาทุกวันนี้นะแล้วเราใช้ร่างกายใช้ความอยากสร้างความสุขให้กับเราแต่เราไม่รู้ว่าเป็นความสุขแบบยาเสพติด แล้วติดมันไหมใช่เราติดติดรูปเสียงกลิ่นรสไหยติดขนมนมเนยเครื่องดื่มหนาต่างไหยทําไมต้องทําไมต้องกินตลอดเวลาทําไมต้องเดินตลอดเวลาลนั่งที่ร่างกายก็ไม่ต้องการร่างกายต้องพาเข้าไปหาหมออยู่เรืยหมอก็บอกคุณกินมาก <c oughs> คุณเดื่มมาก <c oughs> เพราะคุณไม่ใช้ปัญญาไม่คุณไม่มีสมาธิ มันก็เลยต้องอาศัยความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้งกายแทนไม่ทนะ่างครับแล้วอย่างการนั่งใช้สัญญาพิจารณาตลอดวันที่ได้ผลนะั่นคือว่าตอนนี้ในเรื่องความอยากต่างๆมันลดน้อยลงแล้วก็ความอยากที่จะไปสงสิงกับคนอื่น อ, อ, อะไรนะมันมันลดน้อยลงคนะอับแด่ ว, ว่าเวลาตั้งใจจะภาวนาให้มันลงไปในะสมาธิมันทําไม่ได้เลยจิมีกําลังน้อยไป แต่ว่าอย่างวันนั้นที่มานอนเมื่อวันศุกร์มาทางที่นี่ะฮครัมก็ความเพียงนี่ดีมากต่อทั้งคืนเลยแต่ว่าก็มาเพราะว่ามันเป็นเพราะหลับหลืนตื่นก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรทั้งๆที่ที่นอนก็สบายดีอากาศก็ดีแต่ก็รับหลับตื่นตื่นเพราะตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่มีทวารทับไม่มีอะไรอย่างอยู่ที่บ้านมันก็ไม่มีอะไรทํามันก็นั่งภาวนาออมันก็สลับกันไปสลับมาทั้งหลับหลับแล้วก็ตื่นแล้วภาวนาหลับตื่นภาวนาแต่ว่า มันไม่ลงเป็นสงบมันมีเรื่องคือใจสติเรายังไม่มีกําลังมากพอที่จะดึงมไม่ใจออกไปมันไม่แทรกกับใจเราไปหามันเองต่เราไปคิดถึงมันเองแต่แต่ที่เห็นผลเลยก็คือว่าการพิจารณาปัญญาเนี่แต่แต่มันไม่เป็นสมาธิแต่ว่ามันแต่ว่าความอยากอะไรต่างๆมันน้อยมันน้อยลงไปมันไม่ค่อยอยากถูงซึ่งกับใครเคือปัญญามันก็ช่วยได้ในระดับในระดับของปัญญานั้นแต่มันไม่ได้ช่วยให้ลงในสมาธิได้ ก็ต้องมีเหตุการณ์ที่แรงกว่านั้นเช่นไปเดินเดินเจอเสือแล้วก็ปกเลยใช้ปัญญาตายก็ตายวะท่าทางาที่ถึงเวลาถ้าต้างมันต้องมีเหตุการณ์ที่มันบําคับให้ลงมันถึงจะลงถ้าไม่มีเหตุการณ์ปกติบันไม่ลงอะตอนตอนแม่ก่อนที่จะมานอนก็คิ ด, ค, ดคิดอยู่เหมือนกันว่าเราไม่เคยนอนในป่าะแล้วก็วออลองลองลุกขึ้นมาเดินในป่าตอนคืนเลยก็เดินเดินไป ถ้าให้ดีก็เพิ้นต้องฉายไฟเลย <c oughs> เดินตรงทางตรงกบ <c oughs> เ, เดินออไปเนี่ยในป่านี่ใหญ่ลองเดิท่องเที่ยวดูกลางคืนดูตอนแรก <ๆ S 2> คิดว่าตัวเองจะกลัวปรากฏว่ามันก็ไม่มันก็ไม่กลัวฮะพ อ, อมาถึงจริงๆมันก็ไม่กลัวพาคิดถึงพี่หลวงตาเคยเท่ห้วเดี๋ยวตอนนี้ขอให้ชาวต่างประเทศเข้ามาหน่อยก็ ม, มาเลยเดี๋ยวก็อยากจะกลับนะเปิดทางให้เข้ามาหน่อยอเมนอเมนเฮ Hello. <laughs> from Singapore. Yeah. Singapore. Yeah. So, how long are you staying here this time? We oh, are leaving tomorrow. Tomorrow. Yeah. Yes, a very short stay, just to drop by here. Where did you go? Um, yesterday, we went to w a t a m p a n a n and Wak a s o k a r a So mm -hmm. today, this morning, we went to Wat, you know, Wat. v in t h a w t Yeah. Now you are here. Yes. Yeah. And tomorrow you are leaving. Yeah. Mm -hmm. Yes. The purpose is just to visit temples. Yes. Visit yes. you. <laughs> <laughs> <laughs> okay. Yes. And yes. make merit, make donation. Yes. Okay. Yeah. So how have you been? Okay. <laughs> how have you been? I'm good, thank you. Oh, good mm -hmm. Well. Hi. Yeah. Have you ever got my my book in English yet? Yeah, yeah. We, we were my here last way. time. Did you get the book? What my my way? My yes, i t s from you. The yeah. last time when we were here, we got it from you. We have another one called Dhamma for the asking. Have you? No. no, no, no. This one, have you got it? No. no. How many would you like? t Oh. y yeah, e take as much as you want. <laughs> <laughs> thank, thank you. Thank you. Thank mm. you. I have another one just printed, mm -hmm. the volume two. Okay. This is volume one. Oh, okay. okay. Volume two is the I gave the m a t t l k through through the Skype at Bat Palei. Oh, okay. okay. Oh, okay That's okay. about six six talks. Yes, so s yes. o I I have someone to go get it from there. That's <laughs> it. Yes, Thank I you. I attended one of the last talk. Oh, you were there. Yes, see. yes. Okay, you, so you were very patient.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 That be good. Thank you. Four? No, that's good. Yeah, nice. You, you want? Sure. We have o u g h We take two more. Visitation. Thank you. Yeah, okay. w y have i n o t h e o e Okay, this a uh, some of the collected uh, donations for the printing of books. Okay, fine. So you put it here. Put it on the e n v e l e Yeah. Yeah. s put it there. And if you want to listen to my talk in Thai, this is the collection of last year talk. In Thai, in no Thai. English. No English. My, my, my, my, my, my, my, m my, my, my, my, m my, my, my, my, my, my, my, my, my, m i my, my, my, my, y my, my, t y my, my, my, y my, my, my, y เอาคิวเดี๋ยวหนูดูตอนนี้เดี๋ยวจะให้พรก่อนนะยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรินติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรินตุสังกปา จันโทปนระโสยธามณิโชติระโสยธาสพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวทวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีฤิสานิจังวุธาปัจจายโนจตารโธรรมาวทานติ อายุวโนสุขังภาลังมีความเป็น this is t h e ้ l y t ลังนี e นี่คือฟลายเอ e ร์ที t พวกเขามีเกี่ยวกับการบรรยายธรรมะที่จะมีการประกา a การประกาศคุณสามารถมี as much as you want องการได้ขอบคุณมากขอบคุณมา Okay. Sorry to keep you wait. No. Okay. No. Okay. So many people today. Yes, welcome again t h e day. Thank you. Take care. Okay. Thank you. Okay. Thank you. 30. 30. 30. o 0 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. เช่น ต, ติตมีกำลังตอนอยู่ที่สมถกแล้วเกิดิเห็นร่างกายแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นอย่างเช่นขาแขนหัวก็แยกออกมาเป็นชิ้นๆเดี๋ยวก็จะอออกมาจากพิจารณาตรงนั้นแต่ก็คือเห็นความไม่เที่ยงนะคะแล้วแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ได้ภาวนาเหมือนสมัยก่อนจิตก็คือมันก็ไม่ได้กลับไปเห็นอะไรแบบนั้นอีก หนูก็แต่สมัยน้าปัจจุบันเนี่ยหนูก็คือประคองประคองตัวเองเพ่อออกมาทำงานก็จะกลับมาแค่ภาวนาแค่ให้จิตไม่ฟูงสร้างเฉยๆค่ะแต่บางทีถ้าจิตสงบนิ่งจริงๆก็จะเห็นแค่คือกายเนี่ยจะเป็นแค่ก้อนนะแล้วจะมีอีกตัวหนึงที่ออกมาจากก้อนนั้นนะคะอาจารย์แต่หนูก็ก็คือถ้าหนูเคยฟังธรรมะของอาจารย์บอกว่าตอนภาวนาถ้าจิตนิ่งสงบ ก็ให้อยู่อย่า ง, งานั้นจนกว่าจะอิ่มแล้วออกมาพิจารณาเนี่ยตอนนี้อตอนนี้ก็พิจารณาได้ก็ น, นึกถึงภาพที่เราเคยเห็นในนิมิตก่อนก็ถือว่าเป็นปัญญาแล้วแลนึกถึงภาพที่เราเห็นแขนขาดหัวขาดอะไรขาดนี้ ค, คือเราต้องนึกมันอยู่บ่อยๆมันจะได้ไม่หลงลืมแล้วเราต้องมาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราว่าร่างกายของเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้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 มันเป็นเด็กก็อยู่กับมันไปมันเป็นผู้ใหญ่ก็อยู่กับมันไปมันเป็นคนแก่ก็อยู่กับมันไปเวลามันเจ็บค่ายด้วยปว่วยก็อยู่กับมันไปรักษาได้ก็รักษาไปหายก็ดีไม่หายก็ดีต้องเอาอย่างนี้ขออธิบายพรอาจาย์าาาหมายถึงว่าบางทีถ้าหนูเดินทางไปทำงานอย่างเนี้ยหนูก็จะใช้วิธีดูลมหายใจแล้วก็เข้าเ ข, ข้าสมาธิเองเล ย, เย ป, กปกติถ้าสมมติว่านั่งเฉยๆก็จะเข้าสมาธิเองเออแต่ถ้าเรา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 แต่ถ้าพอเริ่มมีกิเลสออกมามันจะเริ่มหดหูใจไม่สบายใจนี่แสดงว่ามันจิตจิตมันเริ่มหายจากความสงบละกิเลสเริ่มออกมารบกวนละตอนนั้นก็ควรจะหยุดพิจรารณาแล้วก็ไปทําสมาธิทําใจให้สงบก่อนปราบตัดกําลังของกิเลสก่อนตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจไม่สบายใจนี้คนที่ไม่มีสมาธิเวลาคิดถึงความแก่เจ็บตายนี่จะไม่สบายใจจะหดหู่ใจพิพจารณาไม่ได้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 เดี๋ยวมันจะกลายเป็นอแสลงยากินยามากเกินไปดแพ้ยาได้เดี๋ยวอาจจะดีไม่ดีอยงเงี้ยคิดถึงการตายบ่อยๆค่ะเดี๋ยวจะดีฆ่าตัวตายซะเลยก็หมดเรี่ยวอันนี้ก็ก็ผิดอีกแล้วออยากตายก็ผิดอยากอยู่ก็ผิดต้องอยู่ก็ได้ตายก็ได้เออ หนูจะหนจะไม่ได้พิจารณาแบบนี้แต่สิ่งที่หนูเห็นตอนที่ณับปัจจุบันผนจะ ก, การภาวนาถึงไม่ได้ไม่ได้ภาวนาแบบเป็นเท่าไรเป็นวาปกติเป็นแบบมานังสมาธิแต่หนูก็จะพยายามรู้ตัวแต่สิ่งที่เห็นคือพออารมณ์เกิดแล้วเราจะเห็นเร็วขึ้นถ้ามีสติไงค่ะสติถ้าเราจะเรีนสตินี่เราจะเข้าไปข้างในถ้าเราไม่มีสติมันจะออกไปดูข้างนอกแทน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 พอยิ่งเกิดอารมณ์มันก็ยิ่งเกิดความความอารมณ์ไม่ดีเพิ่มขึ้นความทุกข์ใจเพิ่มขึ้น อ, อันนี้เราต้องกลับมาดูว่าเหตุที่ใจกลับมาดูที่ใจก็กลับมาดูที่ใจมาดูที่เรเข้าสมาธิอีกรอบหนึใช่เราต้องหยุดมันมหยุดตัวที่ปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาเราต้องใช้พุโทโธหรือใช้ดูลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็จะหยุดการปรุงแต่งต่างๆขึ้นมาอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเรา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 มันร้อนจนที่มันทนไม่ไหวทํามันร้อนร้อนมากอย่างเงี้ยค่ะมันเรื่องธรรมดาของร่างกายถ้าเวลาเรานั่งนี่มันจะเหงื่อแตกเพราะว่ามันร่างกายเวลาเรานั่งในท่าขัดสมาะนี่มันรู้สึกว่ามันไม่มีที่ระบายความร้อนออกไปมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายมันก็เลยทําให้ร่างกายร้อนแต่มันก็ดีอย่างแต่ช่วงหน้าหนาวนี่เวลาหนาวหนาวนอนไม่หลับเนี่ยผมว่าผมกีบชั้นก็ไม่หลับนุกขึ้นมานั่ง นั่งก็เดี๋ยวอุ่นสบายแล้วก็หลับในในท่านั่งสบายกว่ายัางนี้ควรจะออกมีตักติหนูออกค่ะแต่ว่าเราควรจะทนจนถึงบางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นนะคะบางทีก็อิ่มจนอิ่มสบายจนแบบจนสมาธิเหมือนาจากยที่ททาาบอกว่ามันเราชาร์จแบบโทรศัพท์อะคะ่ะพอแบตเต็มปุ๊บเราก็จะรู้เวลาออกเองก็ไม<ๆ>่ม<ๆ>ีปัญหาแต่ถ้าบางวันเนี่ยค่ะมันก็จะร้อนจน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 อย่าไปสนใจกับความเจ็บความร้อนของร่างกายแล้วถ้าผ่านไปได้แล้วจิตมันก็จะเย็นลงจะสงบนึกกว่าเดิมถ้าไม่ไงั้นเราก็จะติดอยู่ในระดับนั้นพอถึงระดับนี้มันก็จะมันกระชาดแบบได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นพอถึงจุดนั้นมันก็หยุดชาดละเพราะมันร้อนเรากลัวเครื่องร้อนแล้วเดี๋ยว ก, กลัวมันจะเสียเราก็เลยถอยออกมาแต่ความจริงมันร้อนนะไม่เสียหรอกถ้าเราตบอยู่ต่อไปเดี๋ยวมันก็จะ ลงไปในระดับ9ะเก้าสิบร้อยหนึ่งได้เวลามีทุกขเวทนาถ้าเรานุกเราก็จะไปไม่ถึงจุดจุดเต็มที่ของความสงบแต่ถ้าเราผ่านจุดของความเจ็บได้มันจะลงเรกวกว่าแต่ว่าด้วยความที่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ภาวนาเหมือนสมัยก่อนกำลังไม่พอสติไม่มีกำลัง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 แล้วเวลาเกิดความทุกข์ความเจ็บขึ้นมาแล้วก็ใช้สตินี้ดันผ่านไปได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บเดี๋ยวความเจ็บนั้นมันก็จะหายไปหรือว่ามันจะเบาลงมันจะไม่รู้สึกเจ็บมากแล้วความเจ็บอีกส่วนหนึ่งมันเกิดจากความอยากมันอยู่ที่ใจแล้วถา้าเราควบคุมความอยากด้วยสติได้ด้วยพุโทโธได้มันความอยากนั้นก็จะหายไปพอหายไปความเจ็บมันก็จะหายไปอีก ส, ส่วนใหญ่จะหายไป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 เราต้องใช้สติหยุดมันก่อนถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้สติไปก่อน <JJ> ถ้าใช้ถ้าถ้าใช้ถ้ามีสติมีสมาธิแล้ขั้นต่อไปกนะ็ใช้ปัญญาแยกได้ว่าความเจ็บของร่างกายก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งความร่างกายก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งใจก็เป็นผู้รู้เป็นคนลับสวนกใจ <JJ> <ว>ใจก็ให้รู้ไปกับความจริงของร่างกายความจริงของเวทนาเวทนาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันไปร่างกายเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันไป ใจก็สักแต่ว่ารู้ไปถ้าอย่างนี้ต่อไปมันไม่ต้องใช้สติมันจะอยู่กับความเป็นไปของร่างกายของเวทนาได้ค่ะสมัยก่อนตอนภาวนามันเห็นค่ะอาจารย์ว่าการนี้ไม่ใช่ของเรามันหลุดเหมือนพอมันเจ็บ้วมันแตกปุ๊บมันหลุดมันไม่จิตกายค่ะสักแต่ว่ามันก็คือการก็คความเจ็บเข้าะกายกับเจ็บก็ยังแยกกันอีกคือมันจะเห็นแต่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าอ่าโยมโยมอยาก ให้มันรู้สึกเหมือนเดิมหรือเปล่าคะมันก็เลยไม่อยองสงบส่วนาสติไม่พอเเวลาเวลาปฏิบัติแล้วอย่าไปใช้ความอยากเป็นตัวดําเนินการ<ม>ต้องใช้สติใช้ปัญญาเป็นตัวดําเนินการถึงจะได้ผลถ้าด้น ถ, ถ้าใช้ความอยากมันก็จะเกิดความเครียด<ม>เกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็จะไม่ได้ผลอดี๋ยวนี้หนูก็เลยแค่ประคองแค่ดั้งแค่จับแค่รู้ลมหายใจแล้วถ้าในเวลาหนูก็จะเข้าสมาธิทุกเวลาที่นึกออกอะค่ะเมืม่อค ถ้านั่งถ้ามีเวลาว่างสักครึ่งชั่วโมงก็จะเข้าสมาธิถ้านั่งถ้ารูา้ตัวก็จะดูลมหายใจก็คือแค่ประคองไปแต่ก็ไม่ได้ขวานาเนเรื่องเป็นราวเหมือนกันมันต้องเอาแบบให้มันยาวไปเลยเจ็บแล้วก็ต้องให้นั่งให้มันเจ็บแล้วก็ต้องใช้สติและใช้ปัญญาแก้มันไปมันถึงยาคืบหน้าในงี้มันก็จะอยู่แค่ที่ที่จุดเดิมที่เราได้มามถ้าจะก้าวหน้าขึ้นไปมันจะต้องผ่านต้องมีข้อสอบ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 ใจเราให้รู้เฉยๆแล้วจะไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาของใจคืออยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันเหมือนเดิ ม, มสุขก็อยากจะให้มันสุขเหมือนเดิมพอมันทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปพอเกิดความอยากใจก็เลยเครียดขึ้ น, นมาใจเลยทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ของใจนี่ร้ายกว่าความทุกข์ของร่างกาย ญาโยมท่ า, มรรทมานนู้มีอะไรหรือเปล่าที่มานั่งมีมีอะไรหรือเปล่าอก็การันตีเลยต่อทีอเป็นความกลัวอ๋อเรื่องความกลัวคือพอมาฟังคุยถึงสมภูญขอกตา ตอนนี้ดวงตากลัวเสืียว่าเสียคิดว่าเสืออยู่ตรงไหนมันก็ดวงตาก็เข้าไปกลัวจังไหนเลยอ่าเระฉะนั้นผมกลัวผีมากออ่าก็เลยก็เลยคิดว่าผีก็เลยเอาไฟฉายส่องดูมันก็ไม่มีผีออพออยู่ถึงเช้าคืนผีมัยังไม่ออกมาตีหนึ่งตีสองตีสามก็แล้วสรุปว่าผีไม่มีแล้วก็เลยสว่างแล้วก็ประผ่านคืนนั้นไปได้ก็หาตัวหายเออหายอ่าเราไปคิดหลอกตัวเราเอง ผีจริงไม่หลอกมีแต่ผีปลอมที่หลอกมือนคอยรอเมื่อไหร่ผีจะมาจะได้แต่ว่าไม่มีผีมันไม่มาก็เลยไม่มีก็เลยรู้ว่าไม่มงงี้คือเลยรู้ว่ามันหลอกตัวเองนะเราต้องไปอยู่ที่ยาเข้มีผีมันจะได้พิสูจน์ชัดๆว่ามันมีหรือไม่มีเพราะอย่างนั้นไม่มีหละใจเราไปหลอกตัวเราเองคิดแตเองพออยู่ที่ไหนเปียวๆเงี้ยเงี้ยก็คิดถึงผีก่อนเลยไม่คิดถึงอะไรละก็ก่อนมาก็คิดอนะครับถ้าถ้ามีก็ดีเหมือนกันจะได้ ใช้ได้<ช>ประโยชน์ผู้ปฏิบัติต้องต้องกล้าหารถึงจะถึงจะเจอความจริงถึงจะรู้ว่าเป็นเป็นเรื่องของใจหลอกเราทั้งนั้นเรื่องโมหะอาวิชชาทั้งนั้เรื่องตัวเราของเราก็ไม่มีถึงถึงแม้ว่าจะไม่สงบแต่ก็ได้ประโยชน์มากเลยมาเรื่องมาบ่อยๆแล้วมันจะได้พัฒนาการนันี้ง นักภาวนาส่วนใหญ่ท่านจะต้องหาที่เงียบที่สงบที่น่ากลัวเพราะมันจะได้มีโจทย์ให้ทําการบ้านมีมีโจทย์ให้ทําข้อสอบมีข้อสอบให้ทําถ้าผ่านข้อสอบได้ต่อไปก็สบายสบายจะไม่กลัวตายไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ต้องแบบผีตัวสําคัญก็นี่แหละร่างกายนี่ที่ต้องเป็นผีต่อไปไม่ที่ว่าผีมาจากไหนถ้ามันมาจากร่างกายนี้ ที่ป่าช้ามันมีอะไรก็มีแต่ร่างกายที่ไม่หายใจแล้วทั้งนั้นเนะี่ยมันจะมาจากที่ไหนก็ต้องแบ่กินนั้นเวลาเดินแล้วไปเมื่อื่เดินแล้วไปดุ่ยมาหายกันอยู่กับผีตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่กลัวเนี่ยนี่กับร่างกายนี่มันไม่ใช่ผีเหรืี่ยเวลามันไม่หายใจแล้วมันทํำไมเขาไม่เก็บไว้ที่บ้านนะถ้ามันไม่ใช่ผีนะอ่ะเนี่ยเรตายปั๊บนี่ยกให้สับเปรยเลยใชไมไม่เอาแล้วกลายเป็นผีไปแล้ว ระหว่างการระหว่างเป็นผีกับคนมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่ลมหายใจนี้ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยพอเราไม่มีลมหายใจปั๊บกลายเป็นผีไปแล้ตอนนี้มีลมหายใจก็ยังไม่เป็นผีมันต่างกันหนไหนผมก็ยังเหมือนเดิมขนก็ยังเหมือนเดิมและ ก, ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ล้วไปกลัวอะไรใจหลอกเราเองเราไม่มีใช่ไม่มีสติไม่มีปัญญาคิดหาเหตุหาผล ออเกิดความกลัวขึ้นมาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอยากจะหนีอย่างเดียวก็ น, นี้หายแล้วก็มีเรื่องของครูบาอาจารย์ ท, ท่านหนึ่งท่านเหมอท่านก็กลัวผีอาจารย์ท่านเลยสอนให้ไปนั่งอยู่ในป่าชาสมัยก่อนชาวบ้านก็จะเผาศพในป่าชาแล้วท่านก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆศพที่เขาเผาไป แล้ท่านก็นั่งภาวนาไปนั่งภาวนาไปตอนคืนก็เกิดเสียงดังกร๊อบกร๊อบกร๊อบที่อกผีมาแล้วแต่เนือ่องจากว่าท่านบอกว่าไม่ได้ต้องมาพิสูจน์ให้รู้ว่าผีมันหน้าตาเป็นยังไงท่านก็เลยบังคับใจสุดๆเดินเข้าไปหาเสียงนั่นเลยเดินเข้าไปแล้วก็ฉายไฟเพราะว่าอา้าวหมามันแทะกระดูกยังไม่มีหรอก ไม่มีใครจับผีมาพิสูจน์มาม า, ม า, ม, ามาโชว์กันได้ทุกคนใช่หไหมผีจริงๆก็คือใจของเราเนี่ยที่กำลังมุงสถิตยอยู่ในร่างกายเนี่ยหรือกำลังใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเนี่ยพอร่างกายนี้ตายไปใจของเราเนี่ยก็ต้องออกจากร่างนี้ไปแล้วทีระหว่างออกจากร่างเนี่ยบางทีก็อาจจะมาเข้ามาในฝันเราได้เวลาเรานอนหลับนี้ใจ ใจเราไม่หลับไงหลับแต่ร่างกายใจเราเปิดเปิ ด, เ ป, ดเปิดประตูลับแล้วเวลานอนหลับแล้วใจของผู้ที่ก็ตายไปแล้วเขาก็จะเข้ามาได้เหมือนกับเราเปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือไว้อย่างเงี้ยเปิดขึ้นไว้เปิดขึ้นรับไว้เขาพอเข้าจูนเข้ากับเครื่องเราได้เขาก็จะเข้าหาเบอร์เราเจอเขาก็จะเข้ามาได้ <c oughs> ตอนนี้ก็ กำลังจะว่าคิดว่าจะเข้าไปหาตัวแก่เมื่อก่อนเคยมีปัญหาตัวตัวมันใหญ่ก็มันต้องขี่ร้อยเท่าตัวตุ๊กแก่ไม่มีไม่มีครัมีที่หน้าวัดไงนั่งบัดยาหนะครับแล้วออกไปประมาณสักสองโลนี่ยังมีป่าช้าของชาวจีนเคยเคยไปนั่งป่าช้าอยู่ตอนซึ่กใหม่ๆก็กลัวหนักเหมือนกันครับแต่พอคุ้นเคยไปแล้วก็ธรรมดาถ้าไปหลอกป่าช้าดูสิ ขอยาตพ่อเฮ้ขอไม่ได้ต้องไม่ข อ, ขอสุาสาจีนเอ๋อประมาณนั่อยู่หน้าวัดประมาณนักนสองสองสามโดนเนี่ยเ อ, อกไปประมาณไม่ใช่เขตวัดเลยเป็นขอ ง, งของขอ ง, ของสุาสานเขาของขอ ง, ของคนจีนเขาโนจนะธรรมสถานานี่อไรเนี่ย<ม>ชาวบ้านชาวคนจีนที่อยู่สัตหีบ ม, มันก็คงมาซื้อที่ไว้แล้วก็เวลาทําหวงซุยอะไรแต่ที่นั้นหงซุยไม่ใ่แค่ถั ปา้าขาสวยกว่าสนุกกว่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้หายากอยเดี๋ยวนี้เขาเผากันหมดแล้วสมัยก่อนเขาไม่ได้เผาก็ไปทิ้งกิ่งก้าอก็หล่นถ้าไปทิ้งใต้ลมนี่พอไปเจอกิ่งนี่มันสล่แล้วถ้าจะไปก็ต้องไปไปเยี่ยมตอนกลางวันก่อน ไปไปตรวจดูสถานที่ก่อนครับไม่ใช่วิ่งหนีอะดูว่ามีอะไรก่อนงี้นเดี๋ยวพอเข้าไปตอนคืนนี่มันกลายเป็นผีไปหมดเนต้นงงต้นไมเนี่มันกลายเป็นผีหมดเรื่องเรื่องอสุรพรางนี้ก็เคยดูรูปศพลูปอะไรดูในโทรศัพท์นะมันก็ยังไม่ค่อยถล่มเพราะเมื่อวานล่าสุดเมื่อวานก่อนนะไปเจอ ที่เขาโดนรถสิบร้อเหยียบแล้วคนนี้ ม, มันเป็นเศษเนื้อกระจา ย, นนยแล้วก็ติดกับพื้นครับเป็นเศษๆเหมือนแบบแล้วก็เออเออรู้สึกว่าอันนั้นทำจากติกลานจากรู้สึกดีกว่าบางทีดีกว่าดูผ่าดูความ ส, สุภาพนี่ควาำยิงก็หมายอยู่ที่การดับการมาลมมากกว่าเช่นเวลาเราเห็นแฟนแเราเราต้องเห็นเขาท่าุพของเขา ปัจจุ บ, บันนี้ก็ไม่ไม่่นอนนอนใครนอนมั้นต้องให้เห็นว่าเรากำลังนอนกับผีถ้ารู้ว่ากำลังนอนกับผีมันก็จะไม่อยากจะนอนด้วยพายกำลังนอนกับซากศพถ้าเกิดเขาไม่หายใจนี่ฉจจัจะนอนเขาได้ปะทำไมก็ร่างกายเดินอยู่ไม่ใช่เลยเพียงแต่ไม่ได้หายใจเ <c oughs> ปัจจุ บ, บันนี้ก็นอนขัหลังไม่ค่อยนั่นแหละ ส่วนใหญ่ถ้าดูว่าสภาพนี้ต้องการดับการมาลมคนที่ปฏิบัติธรรมนี้การมารมมันจะเป็นอุปสรรคมันเป็นพระนี่มันถ้าไม่พิจารณาอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันผ้าร้อนอยู่ไม่ได้มันบังพีก็ทำไปกอดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็คือว่าไม่ใช่เพื่อเราแล้วเพื่อเพื่อให้เขาไม่ได้คิดอะไร <laughs> ว่าเราน้อนหาหลังให้ทุกคืน <laughs> แล้วก็เห็นหน้าภรรยาเป็นศพหรือยังครับ ยงัแ ต, ต่ว่าถ <laughs> <laughs> ูเราฝึกถูกถ้าอยากจะดูศพก็ดูอย่างเนี้ยเพื่อดับการมลมแต่อีกอย่างนึ่งก็ดูว่าอนาคตของเราร่างกายของเราก็ต้องเป็นเอ่นยวกัออันนี้กระดับความกลัวตายได้ว่ากลัวยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันก็มีสองสองโจทย์โจทย์หนึ่งก็คือความกลัวตายความรักความสวยความงามของร่างกายไม่อยากจะให้มันเปลี่ยนสเปรย์สปาร์ แต่ใ น, นที่สุดมันก็ต้องกลายเป็นซากศพไปอีกอันนึงก็ดูร่างกายของคนอื่นที่เราหลงรักข้างใครอยากจะร่วมหลับนอนด้วยเอแาะว่าเรากำลังนอนกับศพอยู่นะแต่ยังเป็นศพที่ยังหายใจได้เท่านั้นเองเอาคำสอนของของพ่อไปคิดนะสอนอใจตัวเองที่ว่า เ, เวลาเราอยากแล้วเราไม่ไปทําตามมันเดี๋ยวมันก็บ่อยๆเข้าก็มันจะอ่อนไปเรื่อยๆตามอยา่างแต่มันะจะไม่ถึงแม้มันจะหายแต่ถ้ามันไม่ได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็ยังจะกลับมาได้เราเห็นว่าความอยากมันเป็นทุกข์ตอนนี้ก็บุตรีอะไรที่เคยสูตรวก็ใช้วิธีเนี่ยคก็ไม่ไม่สูครับนะถ้าไม่เห็นโทษของมันเพียงแต่หยุดเฉยๆนี่มันก็ยังกลับมาได้เช่นคนที่มาบวชนี่เขาก็ไม่ได้ดื่มชวรา แต่พอเขากลับไปสือกออกไปพอเขาเจอสุลาเขาก็กลับไปดื่มได้แต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นยาพิษมันเป็นโทษกับจิตใจกับร่างกายมันทําให้เราทุกเวลาไม่มีมันเราจะเดือดร้อนเพราะเราติดมันอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเลิกอย่างเงี้ยเราเราจะไม่กลับไปหามันอีกต้องเห็นโทษของมันเห็นว่ามันทําให้เราทุกทุกเพราเราไปอยากมันเองไม่ใช่อะไรถ้าเราไม่อยากมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน ก็บางทีเวลาทํางานก็บางทีไม่มีให้สุกว่ามีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาใช่สุกเฉยๆนะต้องต้องเวลาทุกครั้งนี่มันอยากจะสุกว่าน้องบอเหมือนการเอาความพิษมาใส่ร่างกายแล้วก็เอาเอาความทุกข์มาให้กับใจเพราะใจจะต้องติดมันเดี๋ยวเกิดเวลาไม่มีสุกอีกก็ทุกข์อีกตอนนี้เราไม่ทุกข์แล้วเราสบายแล้วนี่อย่ากลับไปติดมันใหม่ ถ้าติดมันใหม่เดี๋ยวมันไม่มีสูตรมันก็จะทุกข์อีกต้องเห็นอย่างนี้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความเป็นการติดมันติดสิ่งที่เราอยากแล้วเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่อยากมันละเพราะเรารู้ว่ามันทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่อยากแต่ถ้าเราไม่อยากเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีจะกินไม่มีจะสูตรก็เลยไม่ได้ไม่ได้สูตรแบบนี้ แต่พอเดี๋ยวพอมีให้สูตรมันก็อยากจะสูตรใหม่ยมือความความคิดอย่างนี้นก็จะเอาไปใช้กับลูกนะแต่มีปัญหาแฟนทุกครั้งเวลาลูกอยากจะกินพวกพิซซ่าพวกเคเฟซีฮะผมก็บอกว่าเนี่ยเวลาไปให้มันกินเรื่อยๆมันไม่ใช่มันหนายอยากเดี๋ยวมันก็อยากก<อ>ินดีๆนะแต่แฟนก็อยากจะรักลูกอยากทการใจอยากก็ก็จริงอย่างที่ผมพูดนะ<อ>ก็พอพาไปกินครั้งหนึ่งครั้งที่สองเดี๋ยววันนี้มันก็ ร้องอยากกินเรื่อยๆก็ <laughs> แต่ถ้าไม่พาไปกินเลยก็ <laughs> ไม่มีปัญหาเลยก็กินข้างทางไก่ข <laughs> ้างทางคือเคขากินอะไรแล้วก็จะติดอย่างนั้น <laughs> ยังไงเขากินของถูกๆดีกว่าจะได้ติดกับของถูกๆ <laughs> เหมือนน้าอันลมอนะผมก็เคยพูดแล้วว่าอย่าไปให้กินก็ได้ไปให้กินเดี๋ยวตีหลังก็ติดล้มันซ่าๆมั น, ห, มนหวานๆเยอะมาก ก็ขออ้ซิงนี้ก็อยากกินเรื่อเวลาเห็นก็ขอด้ว่อยพอไม่ได้กินก็ร้องร้องแงล่ละบางทีมองเด็กดูก็เห็นทำเหมอนเห็นว่าเราก็เหมือนเด็กอาจารย์ข้างอยากจะเรียนถามว่าพอดีพูดกันในแล้วก็เอ่อความโลคความโกรธความหลงเป็นเราให้ลําไส้ให้ใหใหทําลายตัวความโลคความโกรธความหลงนี้แต่ ยังยังไม่เห็นว่ามันเป็นเราคือตามคาพูดมันพูดมันไม่ได้เป็นเรามันไม่ได้เป็นเรามันรู้ใครไปพูดมันเป็นเราความโลภมันก็เป็นความโลภมันไม่ได้เป็นเราไม่ใช่พูดอาจจะพูดอีกแล้วคืออารมณ์นะคะอารมณ์ต่างๆมันเป็นเราความไม่เป็นเราอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์ไม่มีใครเขาว่าเป็นเรา ไปศึกษาธรรมะใหม่ไปศึกษาไปเออไม่มีอะไรเป็นเราสัพเพทธรรมานัตตาหมดทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราเราไปหลงไปว่ามันเป็นเราเองเราต้องมาแก่อ่าหลงว่าเป็นของเราอ่าหลงว่าควโกรธอ่ะเป็นของเราอย่างหนาแน่นหลงว่าเราโกรธความจริงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปในใจเรา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 ชื่อชื่อต่างกันชื่ออี ก, กับชื่อแดนคนเดียวกันมีสองชื่อชื่อเล่นชื่อจริงความโลภ ก, ก็คือความอยากอยากได้นู่นแน่นี่ก็เรียกว่าโลภแะถ้าไม่โลภ ก, ก็คือเฉยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ ไ, ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าไม่โลภไม่อยากพออยากแล้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้เนี่ยกวลกวายกระสรับกระส่าย่ะที่คำถามใครเป็นผู้อยาก เร า, เาไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปสนใจหยุดความอยากแค่นั้งของใครเป็นผู้มันไม่เกี่ยวกันเนี่ยให้รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์เนี่ยให้ดูที่อริยสัจสี่เนี่ยไปไปพิจารณาแบบไม่ไม่ไถูกทางมันก็เลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีไม่มีวิธีการที่จะ ด, ดับมันได้มันไม่มีไม่มีใครอไม่มีใครแล้วไปแล้วไปเอาตัวตัวใครเขา้ามาต้องคำถามสนานอย่าเงี้ยครับอย่างผมชื่อเล่นชื่อต้อมอย่างเงี้ย ไปไหนมาไหนเราเขาเรียกว่าต้อมมันก็เลยหลงว่ า, ากายทั้งกายเนี่ยคือในต้อมใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ใช่มีในต้อมหรอกมันเป็นแค่สมอง<ต>ที่ถูกเรียก <c oughs> ก็เป็นป้ายติดไว้ที่ตรงหน้าอกเ <c oughs> วลาเราเวลาเราไปประชุมที่ไหนเขาไม่รู้จักชื่อเราก็เราก็ลองตงิดป้ายไว้แล<ต>้ว<ต> ย, ยายรู้มันไม่เพลงแต่เป็นชื่อนั่นเองครับแต่ตัวร่างกายนี่เหมือนกันทุกคนเี่มองไปเลยร่างเจอร่างกายกันก็32เหมือนกันหมดผมขนเล็บฟันหนังเลนกระดูกเหมือนกันหมด แต่ด้วยความคุ้นครับเพราะถูกเรียกจนจำเป็นไงก็ต้องมาแก้ใหม่ไงต้องแปลความเขียนกันใหม่ต้องมาสอนใหม่ว่าร่างกายนี้มันมีแค่สามสิบสองอาการนี้เท่านั้นมันไม่มีตัวพอ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องไม่มีนายกรนายขออยู่ในร่างกายนี้ผู้ที่มาใช้ร่างกายนี้ก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ <ๆ S 1> ผู้ที่มาใช้ร่างกายนี้ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ผู้ที่มาใช้ร่างกายนี้ไม่มีวันตายเวลาอยู่กับร่างกายแล้วก็เรียกมันว่าใจ ผู้รู้ผู้คิดเวลาออกจากร่างกายแล้วก็เรียกเขาเป็นดวงวิญญาณก็ตัวเดียวกันตัวดวงวิญญาณนี้ถ้ามีกิเลสก็ไ ป, ก, ไปก็ไปหาร่างกาย<ม>ใหม่ไปเกิดใหม่มถ้าไม่มีกิเลสอย่างของพระพุทธเจ้าพระ้าหนานก็ไปนิพพานเป็นนิพพานไปเป็นธรรมธาตุไปก็ไม่เป็นธรรมธาตุก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมัมนเพียงแต่ว่าใจไม่มีความอยากทั้่นแหลเพราะไม่มีความอยากก็อยู่เฉยเฉยไม่ต้องไปเล่นดน ไปหาร่างกายมาแบบมาทุกข์ไปประปากใจไม่ได้กลายเป็นอะไรเขามาธรรมท่าเนี่นเป็นเป็นเพียงแต่คําพูดว่าใจนี้ได้ชับได้รับการชาระเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกไปหมดแล้วเหลือแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์คือธรรมนุนนุนใจเป็นธรรมนุนนุนใช่ไหมแต่ใจก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมใจของพวกเจ้าเจ้าใจของเราก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนเดิมยิ่งแต่ว่าใจของท่านไม่ได้คิดไปในทางกีดกันหา คิดไปในทางทำคิดเปในทางแสดหละหาความสงบค่ายเดียวคิดไปตามความจริงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นนุ้เห็นร่างกายเป็นอสุภะเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสาสิบสองไม่ได้เห็นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นหญิงเป็นชายเห็นว่าทุกอย่างจะต้องเกิดแล้วต้องดับไปก็เลยปล่อยวางทุกอย่าง ไม่มีความอยากจะได้อะไรเพราได้มาแล้วจะต้องเสียเอามาทําไมสมมติค่าคุณร้อยล้านแล้วหมดเดี๋ยวพวกนี้เข้ า, า ค, นนคืนเนี่ยคุณรับไปทําไมร้อยล้านเดี๋ยวพวกนี้ก็เอามาคืนแล้วคุณอาไปใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปก็ได้ใช้ไปแล้วมันก็หมดอยู่ดีคุณไม่ใช้เขาก็มาคืนอยู่ดีงั้นคุณยังไงดีท่งนที่เอามาคืนตอนนี้เอามาให้เราเนี่ยเวลาไปทําทานนี้เราไ ป, ททาไปคืนนะ ไม่เก็บเไว้ถ้าเราคืนด้วยความยินดีด้วยความสมัครใจเวลาจากเราไปเรามีความสุขถ้าเราถูกบางทับเอาคืนนี่เราจะเกิดความทุกข์เพราะเรายังไม่ยอมคืนเนี่ยถ้าถูกบังทับก็แสดงว่าเรายังไม่ยอมคืนในเวลาพัดพากจากทรัพย์สมบัติก็จะทุกข์ถ้ามาทําทางเสียก็จะไม่ทุกข์ามาทําบุญเวลาทําบุญมีความสุขใจใช นั้นสิ่งทศึกษาก็เห็นแค่ว่าใจที่ไปหลงความโกรธมีอาการหน้าโกรธแบบไหนใจที่อยู่ในความสงบมีความสุขปิติยังไงศึกษาหเหตุทั้งสองอย่างนี้อย่างชัดเจนก็คือการปฏิบัตินี้ก็เพื่อให้เราได้เจอความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ติด ก, กับอยาอยู่กับเราไปตลอดเพราะมันอยู่ภายในใจเราอันนี้เราไม่มีกันเมื่อเราไม่มีความสุขในใจเราเราต้องไปหาความสุขข้างนอกแทนความสุขข้างนอกเป็นของชั่วคราว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 อันนี้ท่าจันหมายถึงว่าการที่เราฝึกเนี่ยเราต้องฝึกทั้งข้างในและข้างนอกคือข้งในใจเราก็คือฝึกฝึกรักษาใจิตใจที่ผ่องแผ้วฝึกจากข้างนอกก็คือละสิ่งที่มาภาษาที่มากระทบแล้วเราอ่าอปลี่ยนสารตัวค่ะแล้วโร ก, กโหลกก็ฝึกที่จระใช่ไหมคะพืจะ ร, รักาก <c oughs> ็คืออย่างนี้พูด <c oughs> ให้เราเปลี่ยนการ <c oughs> หาความสุขจากข้างนอกมาหาความสุขข้างในที่เราโลภ ก, ก็เพราะว่าเราอยากจะเอาความสุขข้างนอกถึงโรค ที่ว่าได้เงินมาแล้วจะมีความสุขคิดว่าได้แฟนมาแล้วจะมีความสุขแต่มันมีความสุขปลอมไงสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้มาแล้วเวลาเสียไปหมดไปก็เสียใจหรือมันเปลี่ยนไปก็เสียใจเวลาได้แฟนมาใหม่ๆเขาดีทุกอย่างก็มีความสุขพอเขาเปลี่ยนไปเราก็เสียใจท่านบอกวให้ดูว่ามันเป็นความทุกข์ทุกเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่มันไม่คงเส้นคงวาเหมือนเดิม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 ทำให้เราคิดว่ า, าอยู่ข้างนอกเพราะท่านใดเกิดมาพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายกูบาจารย์ก็สอนให้เราหาข้างนอกกันพอเราหาข้างในแล้วกลับกลายเป็นคนบ้าไปพอเรามาบวชนี่มาอยู่วัดนี่ก็หาว่านี่บ้าแล้วแต่ถ้าไปมีเมีย ม, มีผัวไปหาเงินหาทองนี่เออไม่บ้าอย่างนี้ถูกคว <c oughs> ามจริงนี่มันผิด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 ใชมเป็นถ้าราชโอรล้นแล้วอยู่ยดีๆจะเป็นขอทานที่บ้าหรือเปล่าอย่างนี้ธรรมะที่สอนเกี่ยวกับกฎไตรลักษณ์และอัญญสสีจึงเกี่ยวข้องติดกันตลอดเวลาเพราะความทุกข์เกิดจากความไม่เที่ยงทุกอย่าะพ<อ>เพราะเราไม่รู้มันไม่เที่ยงเราไปเที่ยงมันเที่ยงแล้วเราไปอยากได้พออยากได้ก็เกิดความวุ่นวายใจแทนที่จะมีความสุกใจก็วุ่นวายใจแล้วพอได้มาก็สงบเดี๋ยวเดียๆพอเดี๋ยว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 อาจารย์ค่ะแล้วจิตเนี่ยมันสามารถที่จะรู้ได้ไหมว่าแต่อันนี้หนูเหมือนไม่รู้ว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่าแต่จิตหนูเคยสุขสุกจนขนาดว่าอารมณ์ที่เกิดแล้วเรารู้ว่าอารมณ์จะเป็นทุกข์จิตเขาผลักความทุกข์ออกไปเลยออันนี้ถูกต้องก็ถูกต้องเพียงแต่หนูไม่ไม่ปฏิบัติต่อูหนูปฏิบัติต่อมันก็มันก็มันก็หายไปถ้าปฏิบัติมันมันก็กลับมาใหม่แล้วถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะไม่หายไป อย่างเช่นแล้วตัวยึดกับตัวอุปทานนี่แหละค่ะเราจะสามารถเห็นมันแล้วจะละมันได้ก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่ใช่ของเรายังไม่เห็นมันเลยแบ้นก็ไม่คิดว่าไม่เห็นนี่ต้องดูร่างกายบ่อยๆมาดูเดี๋ยวมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายดูบ่อยๆเข้าจนกันทั่งมันไม่ลืมนี่เราไม่ดูบ่อยเราคิดแป๊บเดียวแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็มันมันนึกว่าร่างกายเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดเดียวมันก็ยังยึดอยู่ ทั้พิจารณาทั้งวันเลย <c oughs> คือคถ้าท่านหลวงเขาเขาคิดว่าไอตัวยึดเนี่ยครับมันเป็นตัวเป็นตอนเห็นได้รอบรู้ได้อ่ะครับเป็นไปได้ไหมครับที่จะไปรู้ไปรับรู้มันตรงๆง ไ, ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายที่ถูกยืดอย่าแลว่าใจที่ไปยืดเนี่ยครับไปดูมันทำไม <c oughs> ถ้ารู้ว่ามันยืดอะไรก็ให้มันมอย่าไปยืดมันแค่<ม>นั้นเองมันก็ไม่ยืดอะไรแล้วถ้าเกิดตัวที่ถูกยืดไม่ใช่ของที่น่ายืดตัวยืดมันก็ไม่ทางานแล้วอถ้าร่างกายเนี่ยถ้ากดคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันจะตายคุณก็จะไม่ยืด นี่ก็ไม่คิดตลอดเวลาเวลาที่คุณไม่คิดปั๊บมันก็จะยืดทันทีเพราะมันทำงานโดยที่มันเคยถูกสอนให้มาทำมาอย่างนี้เราต้องแก้มันต้องนึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าบอกว่าร่างกายนี้ต้องตายต้องตายต้องตายดยกระทั่งมันไม่ลืมพอมไม่ลืมแล้วพอเวลาไปหาหมอหมอบอกว่า อ่ากูเป็นมะเร็งนะเลยอีกสามเดือนโอ้ไม่เป็นไรหมอหนูรู้มาต้องนานแล้วหนูเป็นอะไรมาขอความยืนยันแค่นีนงรักษาได้ก็รักษาไปหมอรักษ า, าไม่ได้หนูก็เตรียมตัวเตรียมใจอยู่แล้วนี่มันถ้าเตรียมตัวเตรียมใจเมื่อน้องคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วถ้าอยากจะรู้ว่ามันมันพร้อมหรือไ ม, ม่ ก, ก็ลองไปหาที่น่ากลัวอยู่ที่ที่มันมี อาจจะเกิดเกิดภัยกับเราขึ้นมาแต่อย่าไปเจออย่าไปหาภัยจริงอย่าไปนั่งสีสีแยากายแดงให้ราดีแต่เป็นหาภัยที่เราคิดว่าอาจจะเกิดแต่มันไม่เกิดเช่นไปอยู่ในป่าคนเดียวนี่ <c oughs> นั่งอยู่ป่าคนเดียวนี่แล้วไปหาที่ไหนคิดว่ามีงูมีเสือ แล้วไปนั่งสมาธิทำใจเฉยได้หรือเปล่าแล้วนโะนะยมสี่โมงนะวันนี้สองชั่วโมงก็ขอให้นำมาไปพิจารณาไปปฏิบัตินะเพื่อความสุบความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเชิญแล้วต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะเย็งนไง วันธรรมดาก็คุยกันอย่างนี้เลยนะอาะยาฟังเทศก็ต้องเสาร์อาทิตย์วันแบบนี้วมา้ยาวันแบบนี้มันไม่แน่นอนบางทีก็คนมาถวายงลระทานบางคนก็มาอะไรมันตีตาฉา วันวันเสาร์อาทิตย์วันพราก็อย่างนี้ไม่แน่นอนอาทิตย์ก็อสอ่า ส, สองม ง, ง, มงวันพระก็สองมงถึง4มงแต่ ก, ก็แบบอีกอีกรูปแบบหนึ่งแบบสนทนาธรรม